เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องบ้านที่ดีที่สุดชายผู้หนึ่งทำงานเป็นสถาปนิกในบริษัทแห่งหนึ่งมานานหลายสิบปี เขามีความสามารถเป็นเลิศทางด้านออกแบบก่อสร้างวันหนึ่งเจ้านายเรียกตัวให้เข้าพบกำชับให้เขาหาสถานที่ที่ดีที่สุดวัสดุอุปกรณ์ดีที่สุดส่วนแรงงานก็ให้ใช้คนงานที่ดีที่สุดเพื่อที่จะสร้างบ้านที่ดีที่สุดและแน่นอนผู้ควบคุมการก่อสร้างก็คือเขานั่นเอง เมื่อเลือกสถานที่ได้แล้วชายผู้เป็นสถาปนิกก็คิดในใจในเมื่อให้เราเป็นผู้วางแผนงานและไม่มีใครมาคอยควบคุมหลายปีที่ลำบากมานี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เอาคืนบ้างจึงหาซื้อวัสดุที่ถูกที่สุดคนงานก่อสร้างก็เป็นคนงานที่ห่วยที่สุดทุกอย่างทำอย่างขอไปที ในที่สุดบ้านหลังนั้นก็สำเร็จเป็นรูปร่างหลังจากสร้างบ้านเสร็จผู้จัดการก็ได้จัดงานขึ้นบ้านใหม่ในวันนั้นผู้จัดการได้มอบคุณแจบ้านให้แก่ชายผู้ควบคุมการก่อสร้างและยังกล่าวอีกว่าทางบริษัทต้องการตอบแทนที่คุณลำบากเพื่อบริษัทมานานหลายิปีบ้านหลังพิเศษนี้ ทางบริษัทขอมอบเป็นของขวัญแก่คุณโบราณกล่าวว่าต่อให้กล้วยไม้บานอยู่ในป่าลึกก็ยังหอมขจรแม้จะไม่มีใครเห็นสุภาพชนบำเพ็ญธรรมสร้างคุณงามอย่าเพราะยากแค้นแล้วเปลี่ยนปณิธาน